ผู้ที่เข้าใจตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้ท่านอาจารย์วศินอินทศรัผู้ที่เข้าใจตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้ อันนี้เป็นคําพูดของท่านอาจารย์วศิณอินทสระเป็นคําพูดที่มีความหมายมากคนเรามักจะไม่ค่อยเข้าใจตนเองแล้วก็ไม่เข้าใจคนอื่นมักจะเรียกร้องว่าคนอื่นทําไมจึงไม่เข้าใจเราทําไมคนนั้นจึงไม่เข้าใจเราทําไมคนนี้ถึงไม่เข้าใจเราแต่เราลืมไปว่าเราเองก็ไม่ได้เข้าใจเขาเหมือนกันนะอันนี้สําคัญว่า ถ้าเราจะเข้าใจเขาได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนจิตใจคนเราเนี่ยมันคล้า ย, ายกันเราอยากจะรู้จิตใจเขาแล้ต้องเริ่มต้นศึกษาจากจิตใจของเรารู้เราเราก็จะรู้เขาด้วยเมื่อรู้เขามันก็รู้เราและสำคัญคือที่ตัวรู้อย่างไรก็ตามเราจะเข้าใจเขาหรือเข้าใจเราได้นั้นจะต้องอาศัยเครื่องมือสาคัญ คือตัวสติการเจริญสติเนี่ยทำให้เราเข้าใจตัวเราเองเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะการเจริญสตินี่แหละสำคัญมากเลยนะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะเห็นว่ามีอะไรห ล, ลายอย่างที่มันเกิดขึ้น แบบเราคาดไม่ถึงเป็นภัยต่างๆภัยสงกรามภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติภัยที่เกิดจากตัวเราเองเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เรื่องท่านจิตใจสุขภาพจิตความมิตตกกังวลความหงุดหงิดความทุกข์สิ่งเหล่านีนะ้ไม่มีใครปรารถนาที่อยากจะได้พบ ได้เจอได้เจอแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะควบคุมเขาได้อย่างไรถ้าเขามีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็ เ, าเกิดเขาจะดับไปต่อเมื่อเขาหมดเหตุหมดปัจจัยเท่านั้นเหมือนไฟอะไฟยังลุกโชนอยู่เนี่ยเพราะมีเชือ้อมีเชื้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ถ้าเราเชื้อไฟออกซะเอาเหตุปัจจัยเหล่านี้ออกซะไฟก็จะดับลงไปจะมอดลงไปภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ที่เราได้ยินไดฟังมาหรือได้ประสบพบเห็นมาเนี่ยอันเนี้ยมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนไม่เป็นไรเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ช้ชามันต้องเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราหรือใกล้ๆตัวเราก็ได้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเนี่ยเราต้องอาศัยตัวสติตัวนี้เป็นตัวที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติต่างๆยามใดที่เกิดภัยพิบัติ โดยที่เราไม่คิดไม่คาดฝันสิ่งที่สำคัญก็คือตัวสติถ้าเราขาดสติใจเราก็จะตกตะลึงสับสนวุ่นวายทำอะไรไม่ถูกแก้ปัญหาไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติสตินี่แหละเมื่อเวลามันเกิดขึ้นในขณะที่มีปรากฏการณ์ต่างๆเขาจะนำเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเมื่อ เกิปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดความทุกข์ที่ตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือตั้งสติให้ได้เรียกพระสติมาก่อนการที่เราเรียกพระองค์นู้นมาช่วยองค์นี้มาช่วยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกก็เพื่อให้มีสติตอนนั้นเองจุดสำคัญคือให้มีสติในขณะนั้นเวลานั้นเดี๋ยวนั้นคือต้องตั้งสติให้ได้ เมื่อสติมันตั้งขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็จะขนส่งเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีในะขณะนั้นเดียวนั้นปัญญานี่มาจากไหนมาจากการได้ยินได้ฟังได้ดูได้เห็นแล้วก็ได้ประสบได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตมันก็บันทึกเอาไว้เก็บเอาไว้อันนี้คือตัวปัญญาเก็บเอาไว้ที่จิตใจเราเมื่อเวลาจะใช้เนี่ย ถ้าเราขาดสติเราใช้ความรู้ใช้ปัญญาของเราไม่ได้หรอกไม่รู้จะมาหยิบใช้ตรงไหนไม่มีตัวสติเป็นผู้ที่ค้นส่งเอาปัญญามาใช้แต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่ล้วก็เราจะนําสิ่งที่เราสะสมเอาไว้มาใช้ได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราเมื่อเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆภัยพิบัติต่างๆเราจะเป็นมาก ที่จะต้องมีสติเป็นตัวนำเอาปัญญามาแก้ปัญหาเมื่อสติสำคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงต้องมาเจริญให้มากๆในแต่ละวันแต่ละวันจเจริญให้บ่อยๆไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอสถานที่ไม่ต้องเลือกรู้สึกตัวได้ทันทีเลยในชีวิตประจำวันของเราเราจะอยู่บ้านอยู่วัด อยู่ที่ทำงานอยู่ไหนก็ตามเราสามารถที่จะเจริญสติได้ทุกคนทุกแห่งไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่รู้สึกตัวไปเรื่อยแต่ว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านห่างไกลครูบาอาจารย์เราจะเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่เป็นสัมมาทิฏิตะหน่อยเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะ มีความประพฤติดีมีสติจิตใจมั่นคงเป็นปกติไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆอันนี้ถือว่าเป็นกายนานมิตรคือผู้มีปัญญาสามารถบอกชี้แนะในสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะทราบอธิบายได้อย่างกระจ่างแจ้งอธิบายธรรมะขั้นลึกซึ้งให้เราฟังได้ตอบปัญหาเราได้เราตั้งคาถามเขาก็ตอบได้โดยเฉพาะ เรื่องเกี่ยวกับการดับทุกนี่แหละถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านธรรมะการยาณมิตรช่วยเราได้เพราะฉะน้นห่างไกลครูบาอาจารย์อาศัยกรย า, ามิตรเป็นเพื่อนในการเจริญสติอั น, นเป็นฝ่ายบุคคลแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถแสวงหาเพื่อนได้จะเป็นต้องอยู่คนเดียวหรือห่างกลเพื่อนก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวนี้เรามีสื่อมากมายสื่อทางธรรมนะหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆเทปธรรมะซีดีธรรมะ MP3 เราก็เอามาฟังได้ในยามที่ห่างไกลค ร, กรูบาอาจารย์ถือว่าสื่อเราเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเราได้เวลาจิตเราตกมีความสงสัยหรือมีความฟุง้งซ่านอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ แล้วก็ไปฟังธรรมสั้างฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเป็นเพื่อนเป็นมิตรของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดความสงสัยในขณะปฏิบัติมีหลักอยู่แล้วว่าให้ตั้งสติให้ได้กับปัญหาเหล่านั้นให้เป็นผู้ดูไว้อย่าเข้าไปเป็นกับปัญหาเหล่านั้นเวลามาเกิดความสงสัยอย่าเพิ่งหาคําตอบให้เป็นผู้ดูความสงสัยนั้น เอาความสงสัยนั้นเป็นสิ่งที่ถูกดูก็แล้วกันอย่าเข้าไปเป็นกับความสงสัยเราเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบในความสงสัยจิตมันก็จะแยกออกมาจากความสงสัยอารมณ์สงสัยก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งสติเนี่ยพาจิตแยกได้นะให้เป็นผู้ดูว่าอย่าเข้าไปเป็นอันนี้หลักสําคัญเลยเวลาปฏิบัติเมื่ออยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มี และที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตนเองปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันทําอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อตอนเองต้องขยันขยันจิตระเสติอยู่เรื่อยๆทําบ่อยๆทําทั้งวันทําทั้งวันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องนั่งอยู่ในห้องพักทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้นเรามีอีาวบทอะไรทําหน้าที่อะไร ประกอบภารกิจอะไรก็ให้รู้สึกตัวไปด้วยตั้งแต่ลืมตาตื่นมาตอนเช้าก็เริ่มรู้สึกตัวจนกระทั่งหลับไปในตอนกลางคืนก็มีสติตามรู้ไปเราทํางานอะไรแล้วก็รู้ตามมันคิดอะไรแล้วก็รู้ตามรู้ตามตามรู้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้เราสามารถจเจริญได้ทั้งวันเลยไม่จะเป็นว่าจะต้องทาเฉพาะในรูปแบบนอกรูปแบบเราก็ทําได้ เราจะทําได้ทั้งวันก็เพราะว่าเราทําที่นอกรูปแบบก็ถือว่าเก่งแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่าง น, นก็คือสิ่งที่ไร้สาระเป็นส่วนเกินของชีวิตแล้วก็ตัดออกไปซะบ้างเพื่อการเจริญสติเนี่ยบางทีไปเสียเวลาเสียความรู้สึกตัวไปกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์เลยในแต่ละวันมันมีมากเสียเวลาไปกับสิ่งนั้นเนี่ยนอกจากสติไม่เจริญแล้วเนี่ย ความหลงก็จเจริญด้วยนะนั่นให้เราเลือกดูถ้าทําใดที่มีเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์แล้วก็วางวางซะบ้างต้องฝึกที่จะปล่อยวางความคิดอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆความโกรธความชุนเฉียวความขุดขิดที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรารู้จักที่จะรู้ด้วยสติแล้วก็ปล่อยวางด้วยปัญญาเริ่มปล่อยวางออกจากจิตใจซะก่อน อะไรปล่อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรู้รู้ห่าถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยไปเลยเราจะเริ่มเข้าใจตัวเราแล้วก็เข้าใจคนอื่นในตอนที่รู้จักใจเรานี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเนี่ยอย่าลืมเรื่องสติปัญญาใช้สติปัญญาเนี่ยประกอบอาชีพประกอบภารกิจต่างๆปัญหาจะไม่ค่อยเกิดขึ้นวิธีการปฏิบัติ อยากให้ผลอย่างไวนั้นเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานหมายถึงว่าปฏิฐานในชีวิตเราว่าอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกเนี่เราจะสนใจให้น้อยลงหรือไม่สนใจเลยก็ได้อันนี้จะไวมากนะอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกเนี่วางๆมันซะบ้างไม่สนใจมันซะบ้างปล่อยมันผ่านไปซะบ้างเนี่ยอันนี้จะได้รับผลไวหมายถึงว่าจะปฏิบัติได้ดีแล้วก็ผลทุกเร็วไวสิ่งที่สําคัญอีกประการนึงก็คือ เราต้องมั่นใจในตัวเราเปิดใจใกว้างว่าเราทําได้อย่าไปคิดว่าโอ้มันยากเย็ยนนะการเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้มันคงทําไม่ได้หรอกอันนี้แสดงว่าเราปิดประตูตัวเองเราต้องเปิดประตูใจเราคนหนึ่งที่ทําได้ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองนะเราจึงจะทําทได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ล่วงเลยไปก็ดึงเอาอายุเราเนี่หมดไปแต่ละวันแต่ละวัน ข้างหลังยาวข้างหน้าสั้นหมายถึงว่าอายุข้างหน้าเหลือสั้นแล้วแล้ว เ, เราอย่าประมาทให้รีบจิตสติรีบปฏิบัติธรรมเสียแต่อายุยังน้อยยังมีสุขภาพร่างกายดีอยู่ความทุกเนี่ยยังน้อยให้รีบขวนขวายปฏิบนะัติซะเพื่อความไม่ประมาทส่วนการปฏิบัตินั้นจะได้รับผลมากน้อยเพียงใดนีไม่สาคัญสำคัญอยู่ที่ว่า เได้เริ่มต้นปฏิบัติแล้วถ้าว่าเป็นการสะสมเหตุปัจจัยไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อการที่จะไม่ต้องมักเบียนวไหว้ตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกต่อไป